ธรรมศาสตร์พระเดชูหลวงพ่อพริแต้นเย็นจะทอะไรได้เลยนะเขาบอกว่าพรถามปัญหาให้ทางการว่าขอเชิญนักประชิตทั้งหลายเขียร่รที่ยมอะไรการรมศาตรพระเดชหลวงพ่อประท้วงอยากจะทราบว่าเวลาที่ท่านารทางไก การที่พระอริยเจ้าหรือพระธรรมราเทพสุตตังี่งโฆเจลิกาว่าขณดนั้นมีการคุยกันหรือไปรบเถียงก็คุณท่านจกมีคำกีเวนมกเป้นแบบไหนเพียงไรอานุธลูกข้าว้าเพือเป็นแนวปฏิบัติเพรลูกไม่อยากลงนักล่าเดือดาแม่ปฏิบัติเลยแนวปฏิบัติเรื่องแล็กตอนแรกจบเมลอันับแรกนะ จากเด็กมาเปิดจากเกมาสรุปได้จากสรุปได้ก็จะได้ใช้จากใช้เนี mais, enez, ่ย oui. ก sí. ็คือห ah, ัวข้อเช้าตอนนี้เราไม่ได้ไปถือถือตากแดดหรอกคนจะเขาว่าไปแปดปีนานมากไอ้นเรไม่ใช่ผมเดียวนะไม่ใช่ เราคุ้มใหญ่แล้วต้งไปะไบริวารอีกท่คุ้มแต่างนร้บริวารลงโรลงยนะรแล้วมันตอีกสิบคุ้มมาเป็นแปดติสองเจ้าพวกมาเป็นเสือกายมานสัตว์ชานมาเป็นคนหัวหน้าลายแคนนี้หัวหน้าจำเลยน่าเคยทำแบบนี้าก่อนอ่าอ่าพยายามง มากเขาะปทำมั้งทำลายความดีของเขาเรื่องนี้ม่มาได้ถ้าเราปฏิบัเท่างแิกนี่พยานแล้วนะครับอย่างไม่ได้ไปคุยกันในสวนร้องโผนพ่อเขาไปทำลายถ้าพ่อเขาเป็นอาชญากรที่อย่ในโรงงานในทางที่จะไปคถูกต้องนะถ้าเป็นยามแบบนี้ก็ไมู้จะเป็่ออะไรก่อย่ะงาจะยวมามันเป็เอย่งรอะไร อาไหบันโอ้โหซุปติธิาเทศบุตรข้าเป็นคนได้ความดีคือชื่อของความดีก็ไม่เคยทำแต่ความชั่วก็ไม่เคยละม่าดีไม่ละมันพระไม่เว้นเย้ไหมนาดิบ่าทินาชาเมธุชาจานุสาวะสราเมรว่าดะตอนนี้เวลาใครข้าทำบุเห็นแล้วทำเลยไม่เห็นแต่ยินแล้วทางคนป็นไม่ได้ยินส่งเสียงอบเสียงบญเสีกงบนเขา อันนี is, ้วัดตจะตายแต่ว่าเป็นคนฉลาดอันนี้ไปพบกันตอนเย็นขึ้นไปขึ้นไปที่โน่ที่เทวสภาหลังที่ประชานบอกว่าสีลังมาที่นี่กาันตันรู้สบายดีที่ไปพบกัที่ตนไทนะอันนี้ก็ตอนนั้นท่านตอนที่จะตายเลยนะคนทาความช่วยรวยเพากรเก่าดีนะ พยายามมาทุกเวทนามัยก็มากมางดูมียมคงดูลูกสาลูกชจมองบางใชบางนพม่ใช่ทีว่าทุกคนเนี่ยเขาเบ็ดตาในเราแต่ไม่มีใครสามารถแบงทุกเวทนาได้เขาเลยกันว่าพระสงนักพดวใจดีเขาเลยผ่านหน้าวาดไว้ไม่เค n ใช่ไี่ก็ไม่เคยยกนูนไหวแต่ี่ต่างกันคือนานั้น เขารื้ว่าพระจาระามคลมใจดีแม้การม้ว่าใครรู้ถึงท่านขอมาช่วยหายตวยขณะที่รู้ถึงว่าพทธเจ้าแต่เองตายทันทีใหเกิดไปุทวดามาสวนขึานดาวไปตรกูลให้ไปตอนนั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเป็นปรเทศตัวพระธรรดาขอเราย่อๆนะต่อมาอาจารย์ในปีที่หน่งมกาไปเห็นเข้าหรือว่าอเทรดาวนี้จะจ็บีภายในเจ็ดวันจะตาย บุญหนักก็จริงแ <ho> ต่มีปริมาณน้อยนึกถึงพระเจ้าไม่เดียวใช่ไหมบุญหนักบุญมากแต่ปริมาณน้อยเยอะแต่เรน้อยอ่าเราออกมาดูตอยใกล้จะตายได้เดียวโอแต่อาการตอนนี้ก็กจะฝนว่าพูเยใครเปนเจ้ของมานี้ใครจะไปใครจะเจ็บวันนี้มัมีจำนนเบกเสร็จเวลาีพระเจ้ามาเทดพราจังาแกก็ตกใจมองดูตัวเองเึ็นเครื่อทุกเศ้าอง ถึงเหนือยหลายแล้ ว, ลวากาบว่าตัวใจก็ติดต่อไปด้วยจิตตนคิดว่าถ้าเราตายแล้วต่ไม่จะไปไหนก็ทราบดอกว่ า, าตวาปิบัติเป็นต้นน ะ, ะต้องลงอเวจีหมานะครับส่งหนึ่งกับแล้วก็หลังจากนั้นเราจรับบริวารบ้าเบื่อเหมน่มกี้เนี้ยโดนรักมึงดักัหูนก้าร้อยชาติเพาการฆ่าสัตว์เจอบางคนเป็นคนอ่าคุ้มไวห้าร้อยชาติ กินเหล้ากับคุณบ้าหา้าร้อยชาติสบายได้ไกับนรยเยอะแยะคุณบาเนี่ยทำไมไม่ถือคนไมแหน่ตอนนี้ตัว่าจบใจเงือนไม่ไหลแค่ละแง่ล่อหมดตัวเลยเงื่อนไลจางไรไม่ขอค่อยไปล่อเงือนไหลแง่แง่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่อหมดตัวเงือนแตลตา้าโกโกีใจเห็นแล้วเพื่อนจะมองที่ไหนนะก็พอผ่อ า, ามหน้ากาจกรจายเรช่วยกันได้ไหม อาการอาจารย์เรียนก็ว่าใช้พระธรมดาแค่แก่ตอนนี้เราเพื่อใจไม่เป็นคนเดียวคนใดเราขอพระอินทก็พาเาไปหาไปะอินทร์อินทร์บอกว่าฉันเป็นนายเธอแต่ฉันก็แค่เทวดาเหมือนกันถ้าคที่โผลไปได้ม่ไดไม่ได้ใจถนัดนะเราต้องเปเทวดาได้ช่วยไม่ได้แต่ว้องค์หนึ่งที่ช่วยได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยได้องค์หนึ่งทางช่วย ก็พอาการวิจารก็พาสมุดดิดจักก็พอาการวารีใองเราพุทธเจ้าถ้าเพื่อทงทราบพระเจ้าพิจารณว่าถ้าเราเพืออธิธรรแจะสมควรไปเดานี่ไหมทราว่าถ้าเพืออธิธรรยังไม่มีผลเลยผพระนี้จ็ว่สุและลมทันทีถ้าเพื่ออุเบกขิสุจะมีผลถ้าจบแล้เเทวดานี้จะเป็นโสดาบันถ้ากระดุบอธิรร เจ้อือเจะนช้ยู้สุดพอจบท่นปโดาบันจุกีแล้วเกิดยนั่นทันทีอ๋อแอก้วเลยกด้เลยมเมื่อรที่เอวาสาน<อ> ต, ตัวสวยเก๋อารามเลยถามว่านี่แกเป็นอนาคามีหรือบอกใช่ครับเรไม่ก้อยนะยัอะไรพระตะุนารีเ่เราทาบป็นโนนนดนาโดาบานัาบานอนาคามีเหมือนกันถ้าถามว่าทำไมจินชาแล้วเรา มันต้องาร้อยปีเศษพระอินทร์จะบอก25วัิบห้าวันเอีงเทวดาโ้้อยปีเขาอึ้งมาอย่างเงี้ยเอาไงล่ะอ้เมร่อว่าวเทดาสบายมากขึ้นไปไม่ได้นกตัวเองรู้ตัวว่าเป็นพระเจ้าหนึ่งแ้ก็สบายใจแล้วอ่ๆถ้าจบไปในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะโหไปย่ำล่างเลยจ็ร้อยที่จ้โอ้ยจียมหุ่นวกโอ้โ ถ um, so, uh, ้าจะจอคนหูก็จได้ว่านี่มาจ่าแ่แห่แห่จ่าเ้าต่อไปว่าอะไรเนี่ยตากเช้าพระเดชพระภูหลวงพ่อเป็นโลจัสงฆถ้าตอนทุกเช้าที่ผมไหว้พตามปกติแล้วเนียก็ผมจะได้มองขึ้นไปข้างคนองค์พระพุทธรูปสาองค์ก็ตากดว่าในแสงเอ้าแสงสว่างไส ในลักษณะเหมือนสัมภคมรจโรคแต้วซ้อนอยู่ด้านหลังและมีความใหญ่กว่าโคงจริงที่จะรักษาเนี่ยคือว่าแส่นั้น่ะหมายถงแสอะไรผมว่าาิดบัตธรรมะแบบไสที่จะรักษาแสนี้ให้ดึงม่านคมตลอดไปขอหลวงพ่อเป็น ติดตามอุจารสมาธิก็เห็นไม่ได้ผู้ชานก็เห็นไม่ได้มันดูได้เฉพาะอุจารสมาธิเองแสดงวาตอนนีเขากาไแล้วเวลานั้นเรื่องอุจารสมาธิขณะสวดมนต์นี่มันเรื่องอุจารสมาธิพวกคนมัคนเหมือนกันหมด วันนี้เสกอะไรวางไปทิ้งได้ก็ต้องอยู่ตรงอุปจาระระมาใช่ใช่ใช่ในวันที่งวที่สองก็ต้องหายไปอุปจาระประมาณมันได้ไม่ได้ถ่ะรเนี่ยอ่าที่บอกว่าจะถุงกอกว่าหนึ่งวันมันต้งแพงไม่ันอ้าวโอ้โหเฮ้ยเขาไม่รับวันไหน n ออ โวยขนาดไหก็ย่่าอที่ต่อไปว่าาวัชกาลสเลภคุณหลวงพ่อสิครัจโลูกขอสารภาพบาปดีมากา้ก็เยตรงมา้ใช่ช่วยที่เยี่ยงมาแล้วลกขอสารภาพบาปลูคมาฆ่าปู่นใจได้เลยว่าแม่เจอเลยนับปุ่นเนวังฤาษิ ผมจะไม่ทำยางนีอีกถ้าตกวเรายังพาดิสาริผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกน่าเชื่อเลยว่ายินสาริผมจะไม่พูดอยงนี้อีกระวใส่้โตําราเร็วเลยแล้วหายใจสบายมีเขาอ้มใจนะสารภาพกับภูใจว่าพระเอามาเย็ดทิ้งขอลกปูก็จะหาว่าคุยมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลยที่นี่บนคุณร่าเร่องลึกแคได้ก็ได้แน่ ไม่เลอนะโอ้ไหม่มาหูวงใจ น, นะที่ลกาดสวดพอไม่ได้ตอนนั้นแต่ว่าลูกไม่เนียใจไม่ตื่นตัใ จ, ใจท้งนี้ขอรลูกจับขอบ้อความตอนหนึ่งที่ออหลวพ่อสอนว่าให้คติฐานว่าทาอะไรก็แล้วแต่เคตายเมอะไรก็ไปอิฐานได้ทีที่จริงแค่อยากจะเลื่อแหลวพ่อที่จางอีกเพ้าะแกใจก็ยังได้ ไ, ไดมกระโนกนเท่ เอาอย่างนี้เี้าชายก็จะหาับวงพ่อเรยนความผ่านคว่าไม่ได้โมโนแต่ิหารเพาตายก็หลายจะไปปฏิหารทราบมียการทำดีตามหลักสอนเข้ดเสกไมไม่ได้โโน็เอาเบุโบุนกนแล้วกันแต่โนโนมันเล็ต่อโมนี้เดียวนะไอ้เอไม่เมเป็นสุขบัตรกโดยขาไม่เห็นนะนนโมดิก็เป็วิญญาณ โดยที่โชก็ได้เห็นแต่ไปไม่ได้แล้วอาอย่างนี้ไปสู่ความโชว์ได้เยอะแยะไปได้ต้องใจามนั้นนะไปได้จะทานได้ เรื่องเลก่องเลรื่องยรื่องเสียวม่ต้ยู่จะเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอ่เอเออเออเออเออคออเออเเออเอออเอเออ การอกสื่อปลุกเร้่เรียนรู้เรียนกว่าเราขาดองไรขาดอะไอะเรแต่เออขาดขาดองค์ประรอบจากสูงกะสมได้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมาเป็นเวลาช้านานแล้วโดยเฉาอย่างที่ตอนที่จะพึ่งไปลับันท้าจุรามณีนี้ ฟ้าบอกว่าภูเขาทำพาจะไปไม่ไปแล่แล้วก็โหล่มาลุกข้ื่นฟังสีโค้จะเป็นหน้าตาแบบนเห็นข้อรานะจิตข้อรายเข้าไปในหลอดลูกสยากจะพึ้นมาดีอยูก็ช่วยนับิของลูให้ขึ้นพระวดีได้ไหมครับอนี้มีทางไหมจชื่อชําแงก็สมันไหไอ้เก็ได้ต่อได้ิได้เอาที่ถึงอ่ะเอ ของเขามากพรจะเราต้งใจเสียต่อนะเาทำไม่อะไรมากเลยบางครั้งเคยปลาต้าปมากเพราัใจโอ้ท okay. the ี oh. uh, hmm. ่นั่นเปนที่ไปของเ้าเป็นคนทุกคนเป็นที่รวดาทุกคนรวมที่นั่นมาโดอการมาเราะรสันเยอะมากว่า ลุงพ no, no, <c ười> ่อเป็นรถจักรยานลุงลุงลุงลุงเรียกหางพ่อลุงพ่อเร่งไแม่ลุงเขาปวดนมที่บ้านราวไรก็อจะใช้เทศบวงผมของลุงพ่อลุงพ่อพอว่าไปแม่ก็ปวดตามราวไยที่ปวดทุกที่แม่แม่จะเห็นเทวดาเบิดจักัยานลุงพ่อโอ้ลูกที่แสน เตือนแ่เพื่อเาเลยบางทีเตือนนะบางทีเตนาสเยวหสีเป็นไตงถูกใอเ่ไรู้เยอะไปกไม้โอ่ สูงชาติสีเขียวเลยแะอ่าเออนั่นะเอเห็นนหมนะขาอย่างนี้เป็นเสมอเสมอแต่บางร้าก็ตัวบางร้านก็กล้าอาจารย์เรียนถามถามอย่างนี้เลยค่ะว่าวิธีที่แล้วไม่ตัวแต่กล้าจะต้องตั้งอารมณ์แบบนี่ไหนกัะก็รู้ว่าจกันว่าไม่มีใครเรื่องราวามเป็นมือแไม่มีมมันไม่เห็นใชนครับใช่คั นี่ใช่ไม่ดาวน์มาใ5ปีไ่อเลย้รู้แม่เลยโองยแม่มจอะไรว้าวความจำเลยผมก้เราะอเ่านต่อไปที่วัดพระธิเมตตาโยมหวนี่หากูกหลานวางคนจาเป็นไปไม่ได้หรือไม่ได้ไป เราพติ้งตังว่ถึงเวลาสี่โมง้าซิ้ง <laughs> ังติ <laughs> <laughs> ้งสังต้องติ้งสังติ้งสังติ้งตังเพื่อได้คนโทรมาบอกว่าติ้ตัง ชืนใจลูคอ่อ่าะเวลาสี่โมงเ้าวับ่ายสองโมงก็ดในขณะนั้นลูปควรจะปฏิบัติแต่ใดเพื่อจะได้มีโอกาสได้รับสี่โมงเอาเรื่อาข้านิใจคลับครับพภาวนาวุฒิโคนเอาเวลาประมาณแคสุบ้านาทีเวลาที่ไดนเขาจะทำคขาแนะนำมันก่อนเวลามีมากไปเวลาไม่น้อยกว่าสิบ้านาทีก็แล้วกันรับด้วย เหมือนกันต่อเพส่อนเหมือนกันใช่ใชๆกันแต่ว่าทำวิธีเดียวกันไม่ว่าตการกันหพ่อจะคอยมาตักหลวงพ่อหลวพ่อเจ้าค่าตอน่น่น้ยาการหลว่อรอกเพราะรู้ว่าหลวงพ่อมีปัญญามากตลาดในการสอน วันนี้ขอถามแกงตกลงประเทศเลยในคำสอนที่หลวงพอว่ามีศิลแล้วจะร่ำรวยมีเงินไม่เป็นนี่มีโชคมีลาภหวาว่าใหญ่เลยน ะ, ะแต่แฝดลูกรักษาหา้าพอใจอย่างนี้ก็เป็นแปดมันยโนเหล่้ามาดีทีก็ต้องตัดต่อนอ้โถ่ก็เซอร์มาดีที่ ถือขาดเลยจริเป็นคู่มันเลยไม่ว่าลสาสินจริงแค่สินห้านะหนึ่งค่าเล่าไม่เสียอ้ถืาเลยขานะสองค่าเจ้าชู้ไม่เสียสามค่ามั่นรดไม่เสีย ไม่ต้องไ n อาบน้ n ในห้องแล้วเรื่องที่ไม่เสียมือเยอะๆซก็ดีขึ้นถ้าร่างเสียไปไม่เลยเร่องเสียใจ ไอเกย์ไอไาเขาทอผีทอเขาเขาทอผีไม่ได้ที่ทุกีไม่ได้เสียงไอเราสาวเนี่ยตอนไีเกิดแล้วแต่ไม่วยแรงแล้วแต่เด็กสาวไม่ดีอะไรเ่ยทอผีมาดิบีมากใช่ไ ห, หไมรักเองนะชาวร่าไม่ต้องมา ร, รั แต่แม่จะมากกว่ารงหรล่าต้องต้งเลยเนต้องเป็นาว่าควรจะรับษาต่อที่ความจริงแลาปัญานดันล้เสี่ยวพ่ได้นไปด้วยนะครับปอญหาที่ได้ในหัวใจเลยากถ้าเขาไม่รักษาได้บ้างนะแหถามต้องต้องต้อเต็เลยนะโดเรื่องนีจะไม่รู้ชวนจู่ๆแน่สดีนะสุดเล อาจารย์น่เขาห้ามเล่นเล่นเล่นิดผิูกไม่ได้หรอกยจะมาธิเสียตอนนี้อย่างนี้นะคัอนนี้เขาได้บุคาออกแต่งดีจะได้ได้กผูกก็ต้อลดีนะการลาเป็นเรื่องเดียวสิที่ต้องเจอเรื่องลาต้องตัวจริงจริงนะงานลาสุดแต่ใช่ใช่ที่เขาตั้งเย็นมาชั่วโมงหนึ่งลูกพ่อเบรตาเราสองหลาน ที่หลอดแน่ๆแล้มาธรรมดาปีอไร่าเี้ตัวาเกียวเอะไรนะก็การสร้าหลง่อจต้องจากศูนย์มี่งานก็ที่วัป่าศูนย์ศุกราเอสาโยนศก์เนี่ยนเอสาโยนศุกนี้จะมีพราที่เป็นพระโสดลกหลาอีกเหอที่เลี้ยงหาไม่ไดอใครเลกนะ่าับาต่อรูไปในทางบุ ต้งแต่ต้งแตต้นมา ล, ล, ลูกเจริญลูกเรือมประสบความรู้หลายอย่างหลายประการถ้าหากว่าการนี้มาอีกลูกก็ออแอ่แอะจะได้ความรู้อีอมีมีข้ะห<ม><ม> า, าเสถ้าเรารว่าข้าพ <c oughs> ิเศษนเราว่าขพิเศษเหมือนอะก็ไม่รู้เราะว่าไปโงเรียนแค่ปีเดียวเลย <c oughs> เอาจริงท่านมาทุกปีแต่ปีนี้ก็ฟังมาแต่เยอะสําเร็จสมย่าลูก โอ้ยกเข า, า, าเป็นที่เก่งมากแต่องค์พี่เขาเป็นพลาทันสวมใช่ไหมเวลานั่งกินข้าวเขาหล่อมช่องผิว ส, สวยมากเวลาถอดเกืแล้ ว, ลวเอาตังค์มาถวายฉันเรียกถวายนะ่ไหมดำเรื่อย <c oughs> ดำจริงๆเอาเอาไปสี <c oughs> แต่หนัน <c oughs> กๆเลย ถ้าถามไมอยู่ที่ไหนอยู่ไรเอถามว่าอยู่จังหวัดสงรุมพันอเมืองคนแต่แม่นอนก็ได้นะมันอยู่ไน่ที่เม่อทำไปถลาะฉันบอกว่ายู่ใส่ที่นอนเราจะรวยเคยรวยใ่ไหมเคยรอ้เวยถ้ามองเห็นดักฉันจะไม่เข้าไปแต่ถ้าทำกลองไปถายเพรอะไรไหมเข้าไปได้คืนใหมองนั้นเลย แหลกก็อะไรอะไรใครแหลกครับวันไหนใครก็วันไหมาเแหลกใช่เลยไมอตังสายย่านเป็นย่านท่านจะมาให้ฉันดิท่านเหนื่อยไม่ได้เลยแล้วคงที่วักิมพงมาอะไรุีรามครับที่องเนี้ยเว่าเวลาสมเนียอกว่ามาจากุีรามยกหรือว่าชายมงคนแตยาไป้วยนะท่อู่ม่เย็พที่ไม่แน่เลยนอน ถ้าออกไปแล้วมาอา์จอยู่โน่นบิโนนี่ดำไม่ใช่ขาวเป็นชัดเลยพอดีตรงพ่อพดตรงน้กตัวร้ายที่เราฆ่าสองฆ่าเราให้่ะฆ่าเสร็จาล้วก็ถ่ายตัก็้ายตัวนี้ออกมีหน้าออกตรงนี้ออกหน้าออกตรงนี้มีไปสามหน้าแต่ถ้าทีตอนที่หลวงพ่อไปไปจะไปตรงถวายของท้าเจะเข้าเสกน้าน่งหลังเกตนะเพวาัระยเองล้ก็วางหน้าหมดเลย เราอาน้ำก็เราอาน้ำนะครอ้วันนั้นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาไม่ไดุเชร์โอ้ฮาฮ่าฮ่าใหรอยาก่วยทางรัฐโอ้แต่นั้นขึ้นเยอะนะแต่าต้องเห็นผู้ทางรัฐต้องการอมรสมรดานมาเยอะเพรานั่นมาในงานทุกงานท่มาทุกงานมาทุกงานแต่ว่าพวกเราถ้าไปไหว้พระอะไรไม่ถึงท่าน คือเขาเพื่จาทกนเลย่จ้่าัน้งหมดจะถึหมดน้ารไปทำมืว่าทาู้เชีวชากะกก็เว่างานนี้ก่อนาไปกันเดี๋ยวเรู้อนะเออได้ทราบาว่าจะโยที่ไปไต่ลงนี่เขาาที่ติเก้มาปไอตอนเก็ตอนอะไรรือบมี มี่ใหญ่มากคือฉันนั่งรักษาจัง้นี่เป็นการเอออกติเทากเรื่องใหญ่มากแม่ะวัดพระเศษโอ้นี่เลยทำเแล้วถ้าก็ทาบุญแล้วนะอย่างเร็วที่สุดทีเกิดบรอวานเรื่อดาวดึงถ้าอย่างเร็วนะถ้าอย่างกลางก็ไปรุมอย่างดีก็ไปิ่าน เพราะว่าเวลาถาวายฉันพระท่นอยู่ด้วยไอ่ไม่ไม่รางานนี้เป็นไงของฉันตังรร้งแต่พศ2ที่หม่เพราะศพศ2520ฉันประกาศเลิกไม่ทโบทก็เสร็จบทกีก็เสร็จแล้ววันละวัก็เสร็จไปตอนนั้นนะประกาศเลิกแต่ท่านมาบอกต้องทาต่อสมมว่าไม่ไห ว, วครับ แานกำหนดงานให้บอกท่าใหญ่นี่ต้องใช้เดือนหกหมื่นกับแปดเอ่อหกแสนแค่แปดแสนแต่ว่า เ, เดือนหนึดเดือนหนึ่งใช่เดือนนี้เป็นล้านนอ่ะเเดือนนี้เดือนหลายล้านแล้วก็ราะว่าถ้าเลยบอกว่าคุณทาําถอะช้ตังค์ฉันหาเองไหนๆเราก็จะเลิกเกิดแล้วทำไปเรองสอนไว้ถ้าต่อไปนี่คนจะมากขึ้นไอ้ะ ถ, ถาที่ที่จ้ปฏิบัติที่จะได้พอมาก เราเลยพอคนคนแรกพวกอย่างนั้นเราก็ก็ทำข้นสังก็ทำสังก็ทำแล้วกังแตไม่มีเลยทุกการเจตใจดีทีกช่วยที่ดีทงอาจารย์เลิกนะครับจะจะเป็นนี่มากว่าอะไรก็ไม่ไปผลไม่เปผลเด็กนะผมก็ยังมัดลงนะคนเป็นที่เมเนต้องที่สุดในโลกนะโอฉันสบายใจมากคนที่ทุกข์คือเจ้าีฉัน เพราอะไรแม่ตายไปเลยเพราะอะไรไอ้นี้มันจุดทูบรวยห้ามตายรวมรักเลยก็มีหมายถึงอะไรใช่ใช่ กได้มีโอกาสเวลามุงสู้เสียาษีราชไม่ไปจำนเงินยี่สบาทโอ้ผู้จีรอนจะพ่อได้เพราะตัวเจ้าฝัได้รูกที่กิงแค่อยากจะไปถวายท่านแต่แฟนว่ามันจะน้อยไปลูกก็เลยเอามาถวายหลวงพ่อจีรอนจำนวนี่สิบาทโอ้สมุดหลวงพ่อเป็นสรรพสัตว์แทนทั่วาเออดีดีอ๋ออารมณ์อารเลยได้ไหมได้ไหมพอาจะถวายที่สมุดได้ไหมสุได้อ๋อเดี๋ยจ้ะ ทราครับวันน main uh, uh, ี uh, so okay, ้ไม่ม uh. oh. oh. yeah, uh. ีอะไรจะเรียนว่าขอขอหลวงอให้ลูกมีัญญานการเหมือนศาสนาลากระจ่าง้าวขาวข้าวบ้านได้แา้วใจเย็นนะช่วยเหลือฉลาดเป็นรวยนะช่วยรวยข้าวอยู่เท่อไหร่ฉลดปนรนะไม่เอาดรงใช่ใจ่ใชเสร็จไปที่้าจะต้อยากอาแรงแล้วอะไรนะอ๋อข้าหลวงพ่อที่เขาเป็นสง ถ้าให้ปกติแล้วในลูกเป็นคนจะมีจิตใจแขงแรงหมดหดกับอารมณ์เหลวไหลทุกประการโดยเฉพาะจย่างจิตใจกรด่ามาแทรกมาว่าลูกไม่เคยโกรธเลาทใจเหมือนจิตได้เพราะอาศัยหนังสือธรรมวิเิจขอพอแนะนำแต่ว่าความดีของลูกพ้นไปไปหรอจะได้ถูกต้างอีข้ามาผบอกตามมาเลยเรา่รับรองไม่รับรออีขมาเรา่เป็นไ เขาไม่เกิดคนแต่ม so ันหมาคนหมาไม่เป no so ็นไรเพราะหมาไม่ได no you ้วนแม่หรอกคนถ้าเป็นหมาจะได้ป่าขึ้นคนฆาหมาเป็นหมาขึ้นคนฆ่าเป็นหมาฉันสงสารไปตายตายอี่คนที่ฆ่าว่าตายหมาต้องทักที่ลูกก็ช่วยลราก็ผู้กหญ่ลูกตาหลังจากยังศรีภารวายเสียสีแดดแรงลูกสุดเสมอ ตอนนี้กำลางถ่ายตัวลูกแตกไม่ไหวแล้วขอหลวงพ่อหลให้กำลัถานตัวถ่ายตัวลูกมันเอก็้เอางี้นะเอางี้นะเอ่ยสุดดาถึงว่าจะว่าแต่คนพูดมาเลยฉันเองมาถูกติื่อป็นไปได้ยังไงหลวงพ่อหนากมากอาจารย์หนับมากสายตรงในข้ามเคยเคยมีเรื่องถ่ายก่อนก็เก่อนทั้วิจิตรก็มีทัมอรักก็มีทัเสียงก็มีมีเรื้องเสดาก็มี แค่ก็ถือลาหมดเดียวหมางก็สท้าเอกขด้ชื่อใจเลเอาใจตั้งตัวๆนะตั้งใทุกคนนะขอจำได้อคางไปเอกอู้มมากัน ช่างมันนี่เป็นคาถาหลวงพ่อไมตาแช่ใช่ใช่ตาใช่ไหมันใช้บบนี้ันใช้บบนี้มาตั้งแต่อายุยี่ปีโอ้เป็นตั่ใช้บเนอใช่ใช่ราม่ก็ช่างมันแต่ที่เติมมันเติไม่ไหวที่มันติด่างมันมันทนไม่ไหวเด่าก็ช่างมัน ใจล้วไม่ยากแาว่าดาช่างมันอนี่แหละครับที่จะไปแก้เขาได้ใช่ๆช่ใชค่อยๆช่างนะไม่าแรงนะมันมันเขาจะชินต้องเข้าใยทำถ้าคนไม่เกิดคนยิ่ง่นีเป็นอนาคามียที่ยังคาอยู่ไม่มีองอก็ พ้าอาจอมาโอ้พระเจอมา่พน <S Gee Stupid>. ี่ก่กแก่กที่สุลอย่าคนอเป็นรเไตรกไม่ได้กันนอะราราสร้าาร้า้างสางสาง้างส้างสร้างสร้้้้